การภาวนาการภาวนานี้กําหนดลมหายใจเข้าออกใจมันก็อยู่กับลมเวลาเราจะนอนเรากําหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจมันจะหลับ ง, ง่ายๆทีเดียวแหะ การกำหนดรู้ลมเป็นการทำจิตให้นิ่งเป็นหนึ่งการทำจิตให้นิ่งเป็นหนึ่งมันเป็นปกตีของผู้ที่ปฏิบัติผ่านไปแล้วเพราะยังไงก็เห็นอยู่อยู่เรื่อยเห็นลมเข้าออกอยู่เรื่อยพอกระทบอารมณ์หรือกระทบปัญหาต่างๆ ใจก็ <c oughs> นิ่งเป็นหนึ่งอยู่ได้ไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาพอกระทบอารมณ์อารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ไม่ดีก็ตามพอกระทบปุ๊บมาก็แจ้ใจก็จะเป็นหนึ่งนิ่งแนวโลกเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหว ไอโสถสถานไม่กลัวให้สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นการหัดกิจอยู่กับลมนี่มันเป็นไปแล้วอย่าจมพากันทำเป็นไปแล้วก็เหลือแต่ว่าทำยังไงถึงจะให้มันพัฒนาขึ้นไปกว่านี้อีก ถ้าต้องการให้พัฒนาขึ้นไปอีกต้องพิจารณากายพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้หรือพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงก็ได้หรือพิจารณาเป็นทุกข์ก็ได้พิจารณตาก็ได้นี่แหละถ้าเราต้องการให้มันขยับขึ้นไปอีกเราก็ต้องพิจารณา พี่นาเข้ามาที่กายเราเนี่ประกอบโดยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟลมเราพี่นาแยกกายออกจากกันแยกออกไปให้เห็นเป็นของไม่ที่อ่เป็นทุกข์เป็นนัตตาอย่างนี้ เราก็สามารถทำได้แล้วจะทำให้การภาวนาของเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปแล้วจะเป็นเหตุให้ได้ความสุขความสงบละเอียดขึ้นไปอีกคุณธรรมก็สูงขึ้นไปอีกจากที่เราได้อยู่แล้วนี่ก็สูงขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเอาตะลมอย่างเดียวเราก็ได้ความสงบอยู่อย่างเดียว เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาขั้นนี้ไม่ไม่ใช่ทำความสงบอย่างเดียวแล้วเพราะสงบมันสงบอยู่แล้วดีอยู่แล้วทีนี้ต้องพยายามพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นขันขึ้นมาเพราธาตุขันเ่านี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจ เหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเป็นมันก็เป็นทุกข์แต่นี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพิจ า, ารณาไงมันก็ไม่เที่ยงเราดูตัวเราตั้งแต่เด็กแต่คอจากคันวันดาขึ้นมา จนมาถึงปารบัตรนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่ก่อนเคยสวยงามปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปเขาแก่เท่าขึ้นมาหน้าตาก็เปลี่ยนไปอไวยัยวะร่างกายก็สุดโทมไปนี่มันไม่เที่ยงลเลยเราต้องพิจารณาอย่างนี้ พีา่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงกายนี่ตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงเจ้าหมวกก็ไม่เที่ย ง, ยกก ท, ยงทุกส่วนในร่างกายไม่เที่ยงเลยใกล้ความตายเขาไปทุกที่ทุกทีเหมือ น, นคนทอหูคนทอผ้านี่ทอหูเนี่ยเขาก็ทอไปเรื่อยๆสอดไปทีละเส้นละเส้นละเส้นสอดเข้าไปสอดเข้ามาเงี้ย หัว ก, ก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าใกล้กจะหมดเข้าอันแหละอายุของเราก็เหมือนกันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปถ้าหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็เริ่มหละเริ่มรู้แล้วว่าโอ้มันใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วแต่ถ้ายังมัวเพลิดเพลินอยู่มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะตาย ไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าพูดถึงความตายก็ไม่อยากฟังแต่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นอย่างนั้นต้องต้องฟังต้องพิจารณาที่แนวความตายมันใกล้เข้ามาแล้วเหมือนภูเขาใหญ่บทมานทั้งสี่ทิศ ใกล้เข้ามาแล้วมาทุกทิ่ทุกทางพร้อมที่จะสลายพร้อมที่จะแตกดับกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เรากใ็ให้พิจารณาให้พิจารณาเรื่อยๆพอทำกิตสงบแล้วกิตสงบแล้วต้องเอามาพิจารณา ไม่ใช่ว่าสงบแล้วก็สงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยๆไม่ใช่สงบไปเรื่อยก็ดีอยู่สบายดีอยู่แต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันกายไม่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกถ้าอยากให้มันก้าวหน้าเราต้องพิจารณาอย่างที่ว่ามาแล้วนี่จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันเป็นญาติเป็นอสุภะเป็นอะไรก็ได้ที่เราควรจะอายัางโคมีกายโยกายของเรานี่แหละ อุทังป่าทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอโทเกสามตรกาเบื้องต่าแต่ใบโพลงไปแต่จากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนั่นเอาพี่นาเข้าไป ม, มีเนื้ อ, อ ม, มีหนังมีผมมีขดมีเล็บมีฟันมีกระดูกพี่นาเข้าไป เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าตายแล้วมันเปื่อยเน่าไหมมันก็สลายลงเป็นดินนะเปื่อยเน่าเป็นดินไปเลยอันนี้ก็ให้พิจารณาตัวเรานี่็จะไปลงเป็นดินสักวันหนึ่งให้พิจารณาอย่างนี้แต่พิจารณาเป็นอสุภะก็ได้เพราะกายนี่เป็นของโศกโภตปฏิกูลโศกภพปฏิกูล ผมก็สุกโปะขนก็สุกโปะหนังก็สุกโปะเนื้อก็สุกโปะกระดูกก็สุกโปะตับไตไส้พุงก็สุกโปะทั้นั้นเท้าหนักเท้าเบาก็สุกโปะทั้งนั้นปากก็สุกโปะหูก็สุกโปะเต็มไปเลยของสุกโปะสโคะให้พิจารณาอย่างนี้ กิจเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเราอยากให้มันก้าวหน้าพูดง่ายๆอยากให้มันมีคุณธรรมสูงขึ้นกว่าเก่าจากธรรมดาเป็นสูงขึ้นกว่าธรรมดาให้มันสูงขึ้นไปก็ต้องพิจารณาเข้าสู่ความสงบแล้วก็น้อมกิตไปเพื่อพิจารณา สงบแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาอีกบางทีพิจารณายังไม่จบหรอกมันก็แจ้งชัดขึ้นมาในใจโอ้มันก็วางได้เป็นขั้นเป็นขั้นไปเรื่อยสิ่งที่เกิดมาตามการพิจารณาก็มีหลายอย่างทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ตาก็เป็นทิพย์หูก็เป็นทิพย์ อะไรอะไรก็เป็นที่หมดเราเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่ขึ้นมาแต่ก็อย่าพึ่งเพลินกับสิ่งรู้สิ่งเห็นอย่าไปเพลินให้เก็บไว้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดถ้าพูดมันเสื่อมจะค่อยได้ขึ้นไปขึ้นไปถ้าเราถึงที่สุดของการปฏิบัติคือเป็นพระอรหนันต สิ่งต่างๆก็ปรากฏให้เราลู่ลู่เป็นกรณีพิเศษมันไปทำมะไปหมดมองอันไหนไปทำมะไปหมดเราก็อย่าเพิ่งพูดเราก็นิ่งไปสิ่งนี้เกิดขึ้นเนาะแก่เราสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราก็ลู่ให้เป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละคืออย่าให้ติดอยู่แต่เพียงว่าทําความสงบ มันไม่ใช่คั้นความสงบมันขั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกให้มันเห็นชัดเห็นจริงอย่างนี้ทุกคืออะไรทุกคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่นี่เราคือทุก ชาตทุกชราทุกวรณะทุกให้เราเห็นชาติลงไปงานพิจารณาในกายนี้แหละให้เห็นชาติชาติทุกอยู่ในกายนี่ไม่ใช่ชาติที่ว่าทุกคือบ้านเมืองเขาลบลาค่าฟันกันอันนี้ชาติเป็นทุกขไม่ใช่อันนั้นมันพูดตลกแล้วอันนั้น สาส ท, ทุกข์หมายเขาว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่ใต้กองทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันอยู่ใกล้ความเกิดความแก่ความเก็บความตายให้เราพิจารณาเห็นชัดเห็นชัดในตัวเราเพราะเราจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเราเห็นทุกข์ ทุกนี่ต้องพิจารณาทุกต้องกำหนดรู้ทุกนี่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ไม่ใช่ทิ้งไปเลยหรือหนีหนีทุกหนีไม่ได้หรอกหนีทุกทุกมีหน้าที่อย่างเดียวคือทุกเกิดขึ้นกำหนดรู้ต้องรู้ว่าโอ้ทุกนี่เป็นอย่างนี้ทุกนี่เป็นอย่างนี้คนที่ไม่อยากมาเกิดก็เพราะทุกข์กลัวทุกอันนี้ เขาเขียนหนังสือว่าพระพุทธเจ้ากลัวอะไรพระพุทธเจ้าไม่กลัวอะไรเลยแต่ว่าคนทุกคนนี่กลัวอะไรกลัวทุกกลัวทุกในความเป็นมนุษย์กลัวเก็บกลัวแก่กลัวตายนี่กลัวนี่กลัวนรกกลัวตกนรกกลัวความเดือดร้อน มีเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ไม่กลัวทุกอะไรจะเกิดก็เกิดทุกอะไรจะเก็บก็เก็บทุกอะไรจะแก่ก็แก่ทุกอะไรจะตายก็ตายคอยดูมันคอยรู้มันคอย ก, หกำหนดรู้มันกำหนดรู้อยู่บ่อยๆกำหนด ร, รู้อยู่เรื่อยๆอย่าถอย ยิ่งมาได้ขั้นนี้แล้วก็ยิ่งทาให้ยิ่งขึ้นไปอีกพินาให้ชัดขึ้นไปอีกคนเรามีเกิดแก่เก็บตายเท่านี้แหละทุกของมนุษย์ความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพี่ไหลลาพันธ์ความปรารถนาสิ่งหนึ่งแล้วได้สิ่งหนึ่งไม่สมความปรารถนาไม่สมความหวังตั้งใหญ่ อันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เราจะทาไงทุกข์ก็มีหน้าที่กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละทุกข์เป็นอย่างนี้กำหนดรู้ให้กำหนดรู้เข้ามาที่ตัวเรากำหนดเข้าไปกับพิจณาเข้าไปทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหา ก็เหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มันเป็นข้อมันอยู่แล้วแต่มีตัณหานั่นแหละเป็นตัวการสําคัญที่ให้เกิดทุกข์ต่างๆตัณหาการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหาความอยากในกามความอยากในกามกามเราคิดแต่ถึงครอบครัวผัวเมีย มันไม่ใช่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นกลามมันยิ่งใหญ่กว่านั้นกลางนี่ผกครอบคองโลกเลยความเป็นใหญ่ในแม่ทัพเป็นแม่ทัพนายกองเป็นคุณสึกคุณพลมีทหารเป็นหมืน่นเป็นแสนอยู่ในอำนาจท่า น, นก็เป็นกลามอย่างหนึ่งมีเงินมีทองมีข้าวมีของ ก็เป็นกามอย่างหนึ่งโอ้ยถว่ากามมันกว้างขวางทั้งวัตถุกามทั้งกิเลสกามวัตถุกรรมเน่ยครอบโลกจักรบาลอันนี่ในเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายมีเงินมีทองล่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกรรมทั้งนั้นคนติดคนหลง ให้แก้ไขให้แก้ไขใจของเราแก้ไขให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้รุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแก้ไขใจของเราไม่ให้ติดในกามกามตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหานี่ม่ความอยากในกามเนี่ย มันไม่ใช่ความมีผัวมีเมียเท่านั้นหมายถึงทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองยศถาปดาศักต์หน้าที่การงานความเป็นใหญ่ในเรื่องต่างๆมันเป็นกามทั้งหมดเลยเราก็ไปติดในกามนี่แหละข้องอยู่ในกามวันนี้แหละพอใจอยู่ในกามวันนี้แหละ ถ้าไม่แก้ไขมันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเกิดชาแนกก็มาเจอแต่กรรมนี่แหละเป็นของเก่าของโบราณเกิดชาแนกมาก็มาพบของเก่าของเก่าครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองลาบยศต่างๆมันเป็นกรรมทั้งนั้นเราต้องละ ระกำมันให้มันได้ไม่ให้ติดมีก็สั ก, กว่ามีรู้ก็สั ก, กว่ารู้เห็นก็สั ก, กว่าเห็นได้ก็สั ก, กว่าได้ไม่ติดไม่คล้องกามานันเรียกว่ากิเลสกามเนนี่คือกิเลสเนี่ยราคาโทสัโมหะเนี่ยเรียกว่ากิเลสกิเลสกามอันนี้เป็นมันอยู่ในใจของเรา เรายังไมส่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่กรรมมันยังมีโอกาสที่จะเล่นงานเราอยู่อันนี้กเกียรติกรรมให้มีโอกาสทำให้เราพลิกผันเป็นอย่างอื่นไปได้อยู่เราต้องชำระชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการปฏิบัติหากิตเราบริสุทธิ์เราก็เป็นพระสวรสดิบาลเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระนาคาามีเป็นพระอาหารหันต์ เป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์เต็มที่เราต้องแก้ไขกิตใจของเราให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปไม่ให้มันตกต่ำสิ่งไหนไม่ถูกไม่ควรไม่ทาทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรทำแต่สิ่งที่ดียึดมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความสิ้นทุกอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเนี่ยแหละถึงจะพ้นทุกได้ถําไห้ทำไม่พิจารณาไม่อะไรก็ติดอยู่แค่นั้นนี่ะแค่เท่ามาก็ตายไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเกิดอีกแต่ว่าจะม่เกิดเป็นมนุษย์อีกได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ มันเป็นภาวะตัณหาบ่เนี้ยอยากมีอยากเป็นความอยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกอย่างหนึ่งอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ได้อันนี้เราอยากได้อนน่นได้อนันเราอยากได้อนั่นเรื่อยไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นเหตุให้ก่อทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาบ่เนี้ ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นผัวเป็นเมียกันไม่อยากเป็นเจ้าเป็นนายกันไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากเป็นอะไรต่ออะไรหละหลายอย่างไม่อยากเป็นทำไมไม่อยากเป็นเพราะว่ามันเป็นแล้วมันไม่สบายเป็นไข้เราก็ไม่อยากเป็นไข้ปวดหัวเราก็ไม่อยากเป็นปวดหัวท้องเสียเราก็ไม่อยากท้องเสียยกตัวอย่าง ง่ายง่ายให้พิจารณาต่อไปว่ามันเป็นยังไงอยากไม่เป็นคือสิ่งที่เป็นแล้วแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเป็นแล้วมันไม่ดีก็เลยไม่อยากเป็นวะนี่อันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันท่านก็ให้แก้ไขด้วยการปฏิบัตินี่แหละให้พิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันว่า การนี่เป็นเหตุให้ก่อทุกข์นาน า, นานประการสารพัดอย่างเราต้องแก้ไขแก้ไขให้พ้นไปจากกาม น, นี้จากพบจากชาติอันนี้จากการเรียนว่ายตายเกิดในวัตตสงสารอันนี้นี่แหละถ้าเราทำได้มันก็สิ้นทุกข์สิ ทกุก็ดับไปในว่า น, นี้โลดความดับทุกความทุกก็คือดับกิเลสตัณหาเนห่ยดับกิเลสดับตัณหาเนีน่ยคือดับทุกเป็นพระโสระวันก็ดับทุกได้แต่ยังไม่หมด เป็นเศรษาคาก็ดับได้ไม่หมดเป็นอาคาก็ดับได้แต่ยังไม่หมดเป็นผ้ารหันจึงดับหมดผ้ารหันแต่ผลไม่มีเลยมาเอาผ้าะหันที่ถูกทดสอบทดลองถูกอะไรต่ออะไรอย่างเต็มที่แล้วท่านวางหมดแล้วท่านไม่มีทุกข์แล้วนี่สิ้นทุกข์ ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นแหละถึงความสิ้นทุกข์นัน่ืระดับทุกข์นั่นผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นความเกิดความแก่ความเกี่ยวกับตายนั่นแหละชอบเห็นอริยสัจสี่นั่แหละชอบในใจเห็นชอบอยู่ในใจ พูดงามากแปทั้งหมดนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาดับราคะดับอวิชชาดับมดสังโยชน่าสังโยชน์สิบละได้มดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมีไม่มีอะไรข้องอยู่ไม่มีอะไรติดขัดอยู่เราสามารถแก้ไขได้หมดชำระได้หมด ทำกิจให้เบาวางได้หมดทำกิจให้สบายได้หมดทำกิจให้ปล่อยวางได้หมดมันได้มดขอให้เราถึงถ้าเราถึงแล้วมันก็มันจะเป็นยังไงโอ้ยยังไม่อยากเป็นพระลรหันเนาะยังอยากเป็นชั่วรบันอยู่ยังอยู่ในบ้านในเรือนอยากมีดูแลแลลูกหลานอยู่ อาจจะคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ขอให้มันได้เถนะขอให้มันมีถนะมันจะวิเศษสูงสุดแค่ไหนเราจะรู้ใ้ใจของเราเองว่าโอ้โหมันวิเศษจริงๆมันชูงสุดจริงๆมันดีจริงๆมันไม่ใช่ธรรมดานะ มันไม่ใช่ธรรมดานคนต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วมันต้องได้ทั้งความสุขได้ทั้งความรู้แจ้งเห็นจริงได้ทั้งความปล่อยวางได้ทั้งความได้ความไม่ยึดไม่ถือที่เกิดขึ้นในใจของเราเราจะวางได้หมดละได้หมดทิ้งได้หมด เราจะมีใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีอะไรสิ่งใดเข้ามาแทรกในจิตของเราได้จิตเราจะเข้มแข็งอดทนต่อสู้เยียมหานไม่ถอยไม่ถอยกลับมีตะบุกข้างหน้าเลยไม่ถอยอะไรจะเกิดก็ตามอะไรจะเป็นก็ตามไม่ได้วันไหวไม่ได้ท้อถอย พ่อก็ไม่มีถอยก็ไม่มีมีตะบุกรูปเดียวรบชนะตรงนี้ละรบชนะตรงนั้นลบชนะตรงโน้นเอาให้ชนะไปหมดเลยไม่ว่าที่ไหนยอมเป็นยอมตายใครจะเอาก็ตามไม่เอาก็ตามเราต้องเอาของเราเราต้องปฏิบัติในมรรคแปดให้สมบูรณ์จริงๆให้ดีที่สุด ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละหรือว่าปัญญาศีลสมาธินี่แหละต้องเอาให้ได้ศีลห้าเขาเป็นศีนลพระริยบุคคลอยู่แล้วศีลแปด ก, ก็ยังดีขึ้นไปอีกศีล ส, สิบศีลสงร้อยยี่บเจ็ดก็ดีขึ้นไปอีกไม่ถอยไม่ว่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่ถอยหลังกับเดี๋ยไม่ทอ้อไม่ถอยไม่หมดกําลังใจในการต่อสู้ในการปฏิบัติเพื่อ น, นี้จะกองทุกข์เพราะทุกข์นี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดกับเราถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เกิดปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เกิดแต่ว่ามันไม่เข้าถึงใจเราใจเรามีอยู่แต่มันไม่เข้าถึงใจเรา ปฏิบัติรรมแล้วนะนี่ได้สูงเท่าไหร่มันยิ่งเข้ามาเข้าไม่ถึงเลยเข้าไม่ถึงใจเราเลยทุกข์นะ่ะในลาบเสียมลาบในยศเสียมยศดนินทาสนเสนเสือญสุขทุกข์ปรารถนาสิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาอะไรอย่างนี้มันไม่ทุกข์เลยมันวางมันละมันถอนได้ มันไม่เอามันไม่ยุ่งใจมันสบายใจมันสงบใจเรามันดีมันเย็นมันรู้แจ้งเห็นจิกในตัวนี่โอ้ร่างกายนี้เกบะกบึกบนได้ธาตุสีน้อหนวิญญาณมายึดถือเอาวิญญาณนนะ่ะถือเอามายึดถือเอา ว่าเป็นตัวเราของเราเราจะไปถืออะไรเราจะไปยึดอะไรเราจะไปเอาอะไรในของไม่มีอะไรนี่เราจะไปเอาอะไรจากมันไม่ได้เอาไม่ได้เอาจากมันไม่ได้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันให้เราอาศัยทำหน้าที่ก็ดีแล้วจะเอาอะไรอีกเอาไม่ได้หรอก ทิ้งกายนี้เอาทิ้งก่อนที่เราจะทิ้งหรือว่าก่อนที่เราจะตายเราทิ้งได้ก่อนทิ้งความยึดความถือได้ก่อนทิ้งความโลภความหลงได้ก่อนทิ้งกิเลสตันหาได้ก่อนทิ้งหมดวางหมดเหลือแต่ผู้รู้เหลือแต่ใจใจก็บริสุทธ ไม่มีกิเลสไม่มีโลคมีโกรธมีหลงอยู่ในใจโรคก็โรค ก, ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดี ก, ดก็ใจนั่นแหละเป็นผู้โลคผู้โกรธผู้หลงใจที่มีกิเลสนั่นแหละเราชําระออกไปด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีสมาธิหัดสมาธิให้มันให้มันได้ให้มันดีนี่แหละเราจะทําอะไรก็ตาม ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเราก็สามารถชํราระจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้สามารถชํราระจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้ให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในยถาสัจสี่ให้แก้ไขได้ให้ชํราระจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้ไม่ให้มีพบน้อยพบใหญ่อีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันนี้อีกต่อไป ไม่มีความทุกข์ความเศร้าหมองในโลกอันนี้อีกต่อไปแต่อะไรที่เรายังมีเกิดอยู่มีแก่อยู่มีเก็บอยู่มีตายอยู่พบชาติของเรายังไม่จบไม่สิน้นให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของการที่เราจะมีทุกข์เรามีทุกข์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอยา่าอยากทุกข์อีกจะอยากกลับมาทุกข์อีก พอกลับมาทุกอีกมันก็ไม่จบกันแหะข่าวนี้ไม่รู้มันจะไปยังไงไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนไม่รู้ว่าอะไรจะได้พบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้พบทำคำสอนของพุทธเจ้าได้มีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแนะนำผ้ามเตือนให้ได้ปฏิบัติถูกทางปฏิบัติถูกต้องให้การปฏิบัติของเราดําเนินไปสู่ความปฏิบัติที่ดีเด่น ขึ้นไปถึงมากผลชั้นสูงมีอรหันเป็นที่ต้องการนี่แหละให้ปฏิบัติอย่าละอย่าเลยอย่าทิ้งสิ่งที่ได้แล้วต้องปฏิบัติให้ได้ยจริงๆให้ได้ดีจริงๆให้เห็นแก้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้หรือพูดง่ายในตัวของเรานี ให้เราเห็นกายที่มีกิเลสใจที่มีกิเลสนี่กิเลสที่อยู่ในกายในใจของเรานี่นี่แหละชําระออกไปเพิกถอนออกไปละออกไปให้เหลือแต่กิจที่บริสุทธิ์เหลือแต่กิจที่ผองใสเหลือแต่กิจที่เบิกบานเหลือแต่กิจที่ตั้งมั่นมั่นมั่นคงแน่วแน่ เ, เด็ดเดี่ยวอยู่ที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ ในสิ่งที่ดีเราไม่ถอยอย่างนี้เรียกว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหมือนแม่ทัพนายกองที่เข้าต่อสู้สื่อสงขามแม้จะมีลูกเขาทันหรืออะไรต่างๆมาจากทั้งสี่ทิศก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยไม่กลัว ไม่หวันไหวไม่ถอยเลยแหละสู้เด็ดเดียวเอาให้ได้ขึ้นมาเอาให้เป็นขึ้นมาเอาให้ละเอียดขึ้นมาทำให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็ละเอียดอีกดีแล้วก็ให้ดีอีกอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าทำความภาคความเพียร เราเข้าใจแต่ว่าการฝึกปฏิบัติมีนั่งสมาธิอย่างเดียวมันไม่ใช่นั่งสมาธิทําความสงบใจใจสงบแล้วเราเฉยอยู่ไม่ได้เราต้องเอาไปพิจารณาพิจารณาในธาตุในขันในตัวตนของเราเนี่แหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นห น, น้าตาให้พิจารณาลงไปพิจารณาเห็นเป็นสุภาพิจารณาเห็นเป็นอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอนุสติเป็นอะไรต่อมีอะไร ให้เราทําให้มันได้ทําให้มันถึงทําให้มันเป็นมันก็จะวางกิเลสตัณหาเอาไปได้มันจะเหลือแต่รู้อย่างเดียวเดลือแต่ใจอันโดดเด่นอยู่นี่แหละทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อืเมื่อวานในเทศให้ฟังแล้วทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้วสําหรับวันนี้ก็ย้ําอีกว่าอย่า เอาแต่ความสงบอย่างเดียวให้พิจนารณาด้วยพินาก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยพินาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละกายเรานี่แหละใจเรานี่แหละพินาเข้ามาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นี่นี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่นี่ให้เห็น ถ้าเห็นชัดมันก็วางได้ละได้ถ้ามันเห็นไม่ชัดมันก็ไม่วางถ้าพลังกิจเราพอมันก็เห็นชัดขึ้นมามันก็ละได้ก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคารหันได้มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละเทศน์ในฝังวันนี้ให้เข้าใจตามนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป